la Namo Thakshat Phaquwato Arahato Tammha Samputthasak Namo Thakshat Arahato Samputthasak เจริญธรรมทุกคนอ้าววันนี้ตอน 2557 อ่าเราก็เรียนกันมา นะของเราเนี่ยเป็นตัว หลักฐานยืนยันจากพระตะปิดกที่พระพุทธเจ้า แม่คําว่ารูปในคําว่าในในในหมู่หมวดของอภิธรรมที่ท่านแจกไว้ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คํา โม... Your Kran in the field of human reconnaissance is so Eigon no such symbols than aonn savourish part, in fact fam become aесс drafted, some sogenan Leah, are they are changing that they must choose themselves from the frogsthian yang to the innocent course. Although, a made what one thing has the people with the parking lots though, they should be the and the people are human เกี่ยวข้องอยู่เรียบร้อยส่วนคนที่ยังไม่ตายตายแล้วก็เหลือ สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนอย่างชัดเจนในเรื่องประมาทต่างๆนะเพราะเรื่องเขาคําว่ากายในใน ใน... มันไม่ใช่เรื่องของรูปร่างสีสันอะไรต่างๆต่างๆนานาน่ะที่เป็นโครงร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างมันไม่ใช่เลยน่ะทีนี้จิตเกิดจิตตายหรือจิตเกิด ผู้กันมากมายนักหนาเลยว่าๆนานาเฮ้ผู้กันจังน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป้าหมายหลัก ก็เห็นยังไงเห็นความเกิดแล้วเห็นความดับเห็นดับยังไงเพราะฉะนั้น อะไรยังเป็นต้นโอ้กลางคืนในกลางคืนในกลางวันๆด้วยญาณสัมผัส เพ็นนี่ต้องครบกายครบข้างนอกมีสัมผัสมีตากระทบรูปมีหูกระทบเสียงแล้วเกิดวิญญาณเกิดธาตุรู้เกิดจิตเกิดมโนแล้วเราก็ สุราภาวในร่าง 32 ครบตื่นเต็มมีสติมันโตกระทบสัมผัสแล้วก็ ผู้ที่อวิชชาทั้งหลายไม่ได้ศึกษามาสังขารก่อนเพราะมันจะเป็นตัวนั้น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 ดูพระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์เลย ก็จิตนี่แหละมันเกิดมันดับที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นความทุกข์เนี่ยมัน 3 ประการ นะเพราะปัจสเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตนับนี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์นะตาหู เกิดมโนวิญญาณรวมธรรม 3 ประการก็เกิดผัสสะหรือผัสสะเป็นปัจจัยเพื่อเกิด ก็บอกจิตเกิดจิตดับก็พูดอยู่พอไปมามาๆเลยไม่ได้ๆๆ มันไม่มีสัจจะไม่มีความจริงเอ่อไม่มีสมมุติสัจจะไม่มีปรมัตตสัจจะใดๆ ไห้เป็นสัจจะอันสูงยิ่งเป็นความจริงยิ่งยิ่งขึ้นปรมัตถะนะเป็นความจริงยิ่งยิ่งขึ้นให้สูงขึ้นนะเพราะงั้นเราสมมุติสัจจะเนี่ยทุกคนไม่ได้ศึกษาอยู่กับสมมุติแล้วก็อยู่กับกิเลสเป็นเจ้าเรือนอวิชชาอยู่กับสังขารทุกอย่างปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นนะพอเรามาลองพูดกันถึงเรื่องความเกิดได้เห็นความเห็นความเกิดเห็นความ เห็นเห็นกันตรงไหนไงเห็นกันตรงไหนเอออยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าหรือ <c oughs> พอเรามาเรียนกันเคยเรียนกันมาไหน ละอะไรกันแน่ที่ตายนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดแล้วว่า แล้วก็ในคําว่ามนสิกาเนี่ยมีเยอะนะคําว่ามนสิกาเนี่ยเป็นคําที่ยังไงถ้าไปหลง ตักะคิดไปเตลนักความคิดไตรตรงไตรตรงถูกตรงแบบนี้มันไม่ไปไหนเลยน่ะพิจารณาแบบนี้ไม่ไม่ไม่บรรลุธรรมหรอกมัน เราก็จะต้องอ่านพฤติกรรมของอาการลิงขะนิมิตอาการหรือสภาวะของมันเกิด มันต้องเห็นทั้งปัจจัยทั้งหมดเป็นองค์ประชุมงั้นถ้าเพราะว่าธรรมดาใจมันเองเนี่ยมันก็จัดการกระจายเข้ามัน ของมันเองเนี่ยจัดการกันเองของใจของมันโดย แม้แต่ปู่ตาอุตตก่อนี้ไม่ได้ศึกษามันธรรมชาติน่ะและไม่เคยไปศึกษาๆแล้วสุขคือเทวดา อ่าใน สมาจittิ ข้อที่ 9 อ่า สมาจittิ ที่พระพุทธเจ้าทรัพย์ไว้เนี่ยต้อง 8 ที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อ ไม่รู้เรื่องอ่าแล้วก็ไม่ได้จัดการ มีสัจจญาณมีกิจจญาณมีปัญญารู้มีความรู้เนี่ยเราฟังไปแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเอ่อปฏิบัติเมื่อสับสัพพัดขึ้นมาแล้วก็ต้องอ่านทันทีพยายามฝึกมันจะช้าหน่อยใหม่ๆนี่มันไม่ค่อยจะทันพอศึกษาฝึกฝนไปเรื่อยๆมันจะทันมันจะค่อยๆรู้เร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็รู้อันไหนก็ศึกษาอันนั้นฝึกไป ก็อ่านมันไม่ใช่เลยทีแหละนะๆนานาอย่างโอ้อย่างนี้ไม่ใช่มีของจริงเกิดมีจิต ในกายสังขารและในกายสังขารเนี่ยมันมีจิตใน ในเวทนามันมีอะไรเป็นเหตุมันมีอะไรปรุงแต่งกันอยู่อีกก็ไป เกิดร่วมประกอบการจัดการปรุงๆเลย เพราะอารมณ์มันเป็นเวทนาเป็นอารมณ์อาการอารมณ์เป็นอย่างนี้อาการความรู้สึกเป็นอย่างๆสถานะหลายๆอาการที่มันไม่เที่ยง สุขๆไม่ให้มันมันก็ทุกข์ทุกข์สุขสุขมันสุขสุขเดี๋ยวไวมากไวสุขไม่สมใจทุกข์ๆมันเกิดมันดับ ดวงหนึ่งเกิดดวงระดับคิดจับตัวมันสราคะกําลังอยากสราคะเสพสัมผัสแล้วมันเกิด ในการปหาร 5 เป็นต้นเราก็ทําเลยปฏิบัติไปพิจารณาก็คือใช้การพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเห็นอาการนี้เดี๋ยว มันเป็นตัวที่เราไปหลงยึดว่ามันเป็นตัวตนของเราเป็นเรามันก็อยู่เดี๋ยวมันหายไปนะเดี๋ยวมันก็หายรถนะรถนี้ปั๊บเสร็จ พอมันไม่มีเหตุปัจจัยนี่แต่เดี๋ยวๆนี่จะเห็นชัดเอาออกมันก็จะมีรถนั่นสุขเพราะรถ นะหายไปนะนี่คือความไม่เที่ยงเกิดเกิดแล้วก็หายหายไปก็คือดับมันชั่วคราว นะ, วิธีการแล้วเนี่ยพิจารณาแจกเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็พิจารณามันก็สุขอารมณ์ทุกข์เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรมันก็จะมีสะจิตตะนะ นี่ละจัดการกับตัวนี้แหละสําคัญที่เราจะกําจัดปาหารจัดการกับตัวนี้ทําจริงๆเกิดเมื่อใดเป็นปัจจุบันธรรมเกิดลัลัดพิจารณาจริงๆว่ามันไม่เที่ยงจริงๆแล้วบอกว่ามันสุขสุข ตนว่าไปเรื่องเหมือนอะไรบางจําไม่ไหวแล้วไม่ได้จําไม่ได้จําพยายามจะจําจําไม่ได้นะมันไม่ค่อยอุปมาด้วยกองเป็นของว่างเปล่า เวทนาก็นี่แหละตัวที่เราควรรู้นี่เป็นอารมณ์ ไม่มีแก่นอะไรเลยไม่พึงได้แก่นอะไรเลยไม่พึงได้แก่นย่อมเป็น 16 นี่แหละนะเป็นในปิตสูตร 67 นั้นอะไรพอพึง Breaking the heat if not in total of this salahsh Allahs. It was really there, when a full table had to work. There was like a sea you got to work in a huge house on the cloth, one thing something Ал burraza, one, like nearly a toute neighborhoods, almost an island on the stoneIVa Campa if it comes not hours etc, religious 겟 of เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราชอบไม่นี่ นะบ่ปราบบ่บ่ปราบบ่บ่โอ๋อย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบดิ้นไปดิ้นมาสะดิ่งไปสะดิ่งมาอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบกิริยาเหมือนผู้หญิงนะสะดิ่งไปสะดิ่งมาอย่างนี้ชอบอย่างนี้ เรานี่ทําไมมันเป็นคนอย่างนี้มีจิตมากเป็นที่สูงกําลังสูงกําลังแรงกําลังมากดินดุกดิกสนิมมากมากนั่นน่ะเพราะเรา อาการของอิทธตะหรืออิทินทรีย์มาเป็นปุริสินทรีย์มา บ้าของตนเองน่ะนะสุขบ้างทุกข์บ้างนี่แหละใครไม่เคยโง่ยกมือโอ้ เอาลิพนมมืออย่ามันเผลอไปฟังคําๆฟังไป เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัจจะแล้วเราก็ไปเป็น <Licht Focus> ราคะอย่างงี้เป็นโทสะคุณก็กําหนดหมายให้นิดนึงต่างกันคนละตระกูลทะโทสะอาการโทสะมันต่างกันกับโทโลภะหรือราคะมัน เมื่อผู้ใดสามารถเรียนรู้จนเข้าใจดีถูกปฏิบัติปฏิบัติ คนที่ทําใจในใจแบบนี้แหละเป็นการจัดการใจของเราเองด้วยวิชาด้วยการเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนธรรมปุถุชนไม่มีใครก็คิดธรรมปุถุชน การทำได้จริง According to the ふق chapter 17 .คุณ ��空 wysla del kg. leaving What was ended?วัณ แล้ว? ซักเวลธ variety ใกล intelligence bestal. ปัญห่วันไปกับ Ouallai แวะ Math ที่turีกม่อน Auswina the message of a total AfD.それはวิชา brave because of the conflict and nature whoの government's conditions in particular. Was the정 be earned. And our way it was resulted in some joe-re magic book. Tell a search feed and school. HOB hvad แล้ว as women was ABD จัดการเลยแม้มันจะมีตัวที่มันเป็นกิเลสเป็นตัวคาดศึกอยู่ แต่อย่างผู้ดีใช้ความจริงใช้ปัญญาใช้ความเห็นแจ้งว่าเอ็งเป็นแขก นะจริงมันเป็นพูดในความหมายว่ามันจรกันมาสิงอยู่ในเราจนมันไม่โอ้มันไม่ใช่เรานั่นแหละคือมัน นี่แหละจะค่อยๆเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นจริงนะๆที่จะทําให้ตัวกิเลสซึ่งมัน มันสลายมันจางคลายมันดับมันจะมีๆก็เกิดบุญญาภิสังขารเกิดการจางคลายได้ นี่คือการทำใจในใจมนสิกการอย่างโยนิโสอย่างแยกคายอย่าง สัมปชัญญะคือรู้ตัวสัมปชานะคือรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นสัมปชตินี่เกิดขึ้นหรือกลายเป็นมันก็จะเกิดขึ้นสลายละลายมี สมบัติเกิดบรรลุเกิดการเข้าถึงผลบรรลุด้วยการลดดับตัวกิเลสลงไป พลอมมาจารย์สังฆานเก่าแบบเก่านะเป็นสัมปนะเป็นการเข้าถึงบรรลุด้วย นะอติปัญญาหรืออภิปัญญานะหรือวิชชาพวกเนี้ยนะเราก็ได้ผลแล้วสว่างสงบศักดิ์สร้างสรรค์สมถะนาสามัคคีชีวิตนี้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ย่อย ให้อ่านเป็นง่ายๆจะเป็นปรับตามพระพุทธวจนะอย่างนี้เลยเรียกว่า ปุณณปุณาติได้สําเร็จแม้จะเป็นแต่ละครั้งได้ได้สําเร็จทําได้ไม่มีเลอะและไม่เหลือเศษไม่เหลือ โดยที่ว่าลงไปถึงที่เกิดๆมันเป็นความละเอียดมากละเอียดอย่างนิปปุตตาเป็น นั่นล่ะผู้ที่รู้จักตัวตนไม่ใช่ว่าทุกๆตอนที่เราปฏิบัติอย่างเข้าใจอย่างที่อาตมากําลังบรรยายเนี่ยเราจะสัมผัสเห็นตัว ที่มันเกิดเหตุปัจจัยต่างๆประสาทรูปโคจรรูปสัมผัสกันเกิดวิญญาณตากระทบหูเอ้ยคอไปตา รู้มันได้ก็คือตัวตนของตัวกิเลสอาการหยุดให้มันดับไม่ใช่เอาแต่ตัว จับโจร 1 ตัวเนี่ยจะฆ่าโจรตัวเนี้ยเผาลาดบ้านลาดทั้งบ้านเลยดับหมดเลยเผาหมดทั้งบ้านเลยดีไม่ดีโจรมันหลบได้ด้วยมันหลบเก่งไอ้ <c oughs> เป็นเรื่องประกอบให้ฟังนะไม่ใช่วิธีเป็นนั่งสึกกดจิตหรือๆว่าวิปัสสนญาณคือรู้ด้วยการเห็น ดับเหตุนี้เสียได้จนหมดตัวตนอนัตตาไม่มีจริงๆ พอเวลามีตัวตังว่าเจตนาจะอยากได้ถ้าได้สมใจก็หลงว่าเป็นสุขก็เป็นทุกข์ ท่านก็อาหารมาเคี้ยวกรืนมันสัมผัสไปถึงขั้นถึงลิ้น แสมผัด konkursั่ wg bạn đồng lai ها Η Sara Boga Boga Geon such so d d d a d m 이유 m Poor os attие nación yipsold Finally a di de tu Notre traducion being ti. a di tu M a�� tui, eudyut Nowa s theory nación yip a d, umset a de tui mani uma sintonia yip Interesting and was claiming marijした ii. I d gin de tui Я d d a tui Nesuc AT Koreaf Anda ตามใช่ๆอย่างนี้ใช่เลยถ้า 83 ก็ 38 ก็แต่งงานกันแต่งงานกันระหว่างนี้เจอครั้งแรกใช่เลยเนี่ยเพราะ นั่นแหละมันก็กำหนดมาอยู่ในใจอุปทานยึดติดว่าต้องอย่างงี้นิทาน <laughs> ไม่ใช่เราเรื่องตลกนะอาตมาไม่ต้องแข่งกระจกบกไม่ต้องแข่งกระเชิญยิ้มเลยเรื่องจริงนะเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยเรียนๆนะผู้มีญาณนี่องค์ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันเกิดก็เรียกว่าชาติพอเสร็จแล้วได้ปั๊บก็ยึดอยู่ในภพเลยฟังไว้ในจิต พอมันเริ่มดําฤิแล้วก็อานทันทีเลยสัมผัสแล้วมันเกิดปรุงแต่งดําฤิสานออกมาๆเอาเบื้องต้น ปรุงแต่งร่วมอยู่ใน 7 นี่แหละคือกระบวนการของสังขารกระบวน นะจิตของเราทําจิตของเรานี่ทําจิตของเราให้จับตัว เพราะงั้นที่มันยังไม่ดีอยู่เนี่ยมันยังเป็นของต่ําของซามเป็น เออมันก็เป็นเครื่องชัยเป็นเครื่องมือ แต่มันเอามาหลอกกันมาทําเป็นแหวนมาทําเป็นจี้ไปเร็วๆเทอะๆอ่าใครกันแล้วก็ยึดติดกันเอาละเรื่องทองเรื่องอะไรนี่ก็จะว่าเออ มันเหมาะสมกับธาตุที่จะต้องใช้ทองคําก็ค่อยวางกันนะสนต์นบัตรมันเป็นเครื่องใช้สําหรับแทนค่าของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ต่างๆใช้ค่าของวัตถุค่า ใช่ค่อยๆเกิดใครเป็นเจ้าของตัวก็รับผิดชอบเป็นตัวทนบัตรวิวัฒนการมาเป็นนึง I must include whatever they have to provide for me to give them what I have gave them per day the second one. I must now drive all of your instructions for the stripoquine from the stopper, then drive them to the var either way she had to move seconds from the stopper. Thus, they have the ‫for this Shame to have an cost. In the world of replies, they have a price Dan the price that comes to the price to buy with a point that such an application we have a there a pound of more the คนก็เอากระดาษมาแลกกับทอง เพราะมันหมดตัวหมดตนหมดอะไรอเมริกาไม่มีทองคําตกคืนมาให้แต่เศษกระดาษฮอบกับลูก <_ug> <ตราง> <_ holder> มันมีหน้าที่ก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องโอยชื่นใจเสียใจอะไรกันเป็นวรรคเป็นเวรอะไรมากมายนะเพราะอยากจะมีตัวรําบัดคุณก็ทํางานในกระแลกเอาอนุรณอันนี้ไปแลกเขาเอาธนบัตรมาตามอัตราในโลกนะให้มันถูกๆหน่อยยิ่งดีจะได้มากขึ้นได้ไวนะถ้าเอาแพงๆก็ นี่เป็นวิธีการของนักๆ นะมันง่ายขึ้นนานาอาตมาว่าอธิบายเราก็จะมัวเมาลงอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างพวกเรานี่เข้าใจแล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยจนกระทั่งมาถือศีลนะ 10 เราใช้ส่วนกลางใช้ส่วนกลางมีเท่าไหร่ก็เอาเข้าส่วนกลางทํางานทําไม่ใกล้ๆหรอกรู้ศีล 10 จริงอ่ะนะซึ่งเป็นสังคมที่สูงมากเลยสังคมชาวอโศกนี่ทุศีล 10 อาตมาพูดถึงตรงนี้แล้วอาตมาก็ จะถือศีล 8 ตลอดชีวิตกันเนี่ยหลายคนก็เผลอถือโอ้มันแรงมีคนทักเหมือนกันก็เลยขอ ส่วน 8 ถือ 10 ไม่มีปัญหาน่ะสูงขึ้นไปมีไม 5 เป็นหลักเป็นพื้นเป 8 ศีล 10 อะไรไปก็ ไม่ไม่น่าเลยพอเดี๋ยวจะหนักเกินไปแต่ยังไงจริงมันก็ ฟังต่อ 3 ข้อนะที่มาตรฐาน 5 ข้อเอ๊ะอาตมาพูดไงศีล 3 ข้อมี 5 ข้ออ่าที่ 3 ข้อนะ นะไม่เอา 3 ข้อส่วนข้อ 4 มันเป็นวจีกรรมไปแล้วนะมันก็จะ 5 มโนเลยนะข้อ 4 3 นี่แหละกาเมสุมิจฉาจารอ่าอ่อไม่ใช่ปาณาติบาตกาเมหรือเอ่อขออภัย ถ้าผู้ใดไม่มีศีล 5 ข้อนี้ก็ไม่มีพื้นฐานในความเป็น มนุษย์ 2 มนุษย์ 2 ขึ้นไปจิตต้องมีศีล 5 เป็นความสําเร็จไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของใครที่ไม่ใช่ของเราการก็มีพอประมาณจําเป็นเรื่องเพศกับโผเดียวมีเดียวจะรูปรสกินเสียงสัมผัสก็ประมาณพอประมาณไม่จัดไปจานไม่ไปเพิ่มจะเพิ่มอยู่ก็แน่นอนคนก็สวยแหละคนก็จึงตก ถ้าท่านคุณไม่เพิ่มคุณสังวรระวังแล้วก็ทําให้มันลดลง เซนารีนไปดังนั้นศีล 5 จึงเป็นเครื่องชี้วัดมนุษย์อย่างแท้จริงเข้าใจความเป็นมนุษย์มั้ยคุณมีกิเลสอยู่คุณฆ่า ถ้าคุณเป็นคนเช่นนั้นคุณยังไม่ใช่มนุษย์เลยเป็นคนเช่นนั้นคุณยังไม่ใช่มนุษย์เลยบริญญ์ผู้ใดอยากเกิด ตายจิตนั้นตายจิตที่เป็นเกิดเห็นความเกิดๆทําใจในใจตรงนี้กล่าวเลวร้าย ที่พูดได้ละชานพูดๆแล้วไปปฏิบัติ พร้อมปุจิทําได้แล้วจะรู้โอ้เราเป็นมนุษย์แล้วนี่พื้นฐานขนาดนี้แหละระดับต้นนี่ของดําริน่ะดําริ 3 ข้อ 5 ข้อ คือการเกิดของใจเนี่ยนะถ้ายังละเมิดสัตว์เป็นเดรัจฉานเรียกว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดของ 4 ที่ นะการเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างหรือสัตว์ที่เกิดจากสัตว์ชนิด หนองอะไรต่างๆตัวเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรเนี่ยเดสังเสทชะโยนิมีรูปร่างตัวตนนะเป็นอาการซึ่งมันเป็นอาการใจซึ่งอาตมาก็พูด พระพุทธเจ้าก็ใช้อ่าท่านปรัชญ์รู้เสร็จมารก็บอกตายได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ตายมารเราจะต้องอยู่นี่เป็นความเจตมโนสังเจตนาเป็นความมุ่งมั่นมุ่งหมายเราจะต้องสร้างศาสนาให้ครบภิกษุภิกษุณีอุบาสก อ่าเนี่ยยังบอกแสดงมารถ้าพวกเราจะไม่เขียบแล้มยังไม่ได้รับคําแนะนําไม่กล่าวกราบ ตั้งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่าย พูดบ่อยว่าอ่านความเป็นเจตนาเป็นความมุ่งหมายเป็นความอยากให้ชัดๆเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาให้ได้ว่าอย่าพาซื้อจนกระทั่งว่าเกิดไม่ได้ คิดอ่านเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบ นั่นคือจุดมุ่งหมายต้องศึกษากามภพภวะภพและล้างเหตุที่มันเกิดภพกามภพก็ดีภวะภพรูปภพอรูปภพล้างเหตุดับภพได้หมด помощ there is a blackening, but a blackening or rough enough fr siempre is nar tuvo There is a bill in the study, Tuvo e jeego has advantages or insure none of the goods you have to이�our, whether the пожinnessness o' the McL mencare was drunk alz, The mencare was not first in the question. Our God who had a conscience was prescribed for a day, Oh my God, I know he was obligé that możemy to Chef his father guest asked, sobie สามารถจำแนกบัญญัตินะเอ่อแต่งโอ้โหได้สักเสี้ยวหนึ่งของพุทธเจ้ามันก็ดีเนาะแต่ธรรมธรรมเนียะคล้ายกันนี่ แบบนี้แหละถ้าอาตมามั่นใจว่าทําตามพระเจ้าอยู่ต้องได้และพระคุณจะต้องมีสืบสารมีการสืบสารต่อแน่เพราะพระเจ้าสํานักอย่างอาตมาเป็นเจ้าสํานักตายสืบสารพระคุณต้อง 2600 ปียังมี ชีวิตนั้นเนี่ยตะมาก็ตายเกิดมามาสืบสานอยู่ตอนเนี้ยตาม ตัณหาต้องไม่มีดับตัณหาคือดับหมดไม่ให้ตัณหา 3 3 เจตนา 3 ความ 3 ความ 3 ความต้องการ ตีความว่านี้ไม่ๆเยอะแยะๆดับตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยในอริยสัจดับหมดอย่าให้มันมีตัณหาดับ ต้องมีความปรารถนาจะล้างภพล้างกิเลสในๆอย่าอยากอะไรนะต้อง นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ทําใจภายในหรือลืมตาปฏิบัติมีสติรู้นิ่งเฉยรู้ว่างรู้วางวางรู้รู้เฉยอย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปปรุงแต่งอย่าอยากอย่าให้เป็นตัณหานะอย่าให้มีตัณหาต้องฝึกให้ไม่มีตัณหาเนี่ยมันก็ฝึกได้เหมือน นี่ไม่มีทางอ่ะแล้วคุณก็อยากเดินแล้วคุณก็อยากนั่งๆนะมัน เบื้องต้นต้องเข้าใจต้นๆแค่นี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อยากที่มันเพี้ยนอยาก เหลือวิภวตัณหาก็คือตัณหานั่นแหละอาศัยตัณหานี่แหละไปทีนี้จะเป็นโพธิสัตว์ไปอีกกี่ชาติจน จะต้องเล่นสัก 2 สมัยโอ้ฟังแล้วน่ะมันกิเลสจริงๆเลยเนาะยามใจโอ้ได้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งนึงแล้วไม่พอเถอะนะ 2 สมัยยังติดใจอีกขอเป็นสัก 3 สมัยที่ เอ่อที่จริงใจมันไม่ได้ตั้งไว้ไว้อยากหยุดมันไม่ตั้งว่าอยากหยุดมันก็เลยเดินเครื่องตั้งๆนะรู้ว่า ท่านจึงชัยสํานวนว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากเพราะงั้นเราต้องปรับตรงนี้เสมออ่ะ แต่ก่อนนี่โอ้โหต้องหนุ่มๆทําแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มอยู่บ้างอ่าตอนหนุ่มๆตอนบวนเป็นใหม่ทํางานนะตอนโน้นมันทํา นะเราก็ต้องเข้าใจทุกที่มันปีทุกอ่ไสทุกที่มันเลี้ยงไม่ได้ที่เราเจตนาเราทนได้ <�verständ> แล้วก็จนกระทั่งทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลําบากแล้วก็อยู่ได้ฌานนะโดยฌานทั้ง 4 นะคนก็ใช้ฌาน นะ, 4 เนี่ยแหละทํางานมีวิตกวิจารณ์ก็คือทํางานตัววิตกวิจารณ์ตัวปิติตัวสุขก็มีเป็นธรรมดาสําหรับคนที่ไม่ มันเป็นก็จะพอประมาณเท่าที่เราใช้เป็นคณิกาปิติเป็นปิติที่มันเกิดในขณะนั้นขณะนั้นหมดขณะแล้วผู้ สัมผัสมันก็มีปิติเออเพราะใจเรายินดีว่ายินดีว่าอู้อารมณ์ คุณก็เป็นอุเพงกาปิติก็ติดสิจะต้องได้ถึงจะเรียกจุดไคลแม็กซ์ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอดแห่งการเป็นสุขนี่แหละคือ จนเป็นอุเพงขาปิติแล้วต้องเสพแรงอย่างนั้นถ้าไม่แรงเนี่ยโอ้ไม่ถึงไม่มันไม่อร่อยไม่จัดๆ ติกะทบซัมปัฏต่างๆหูชมริมกายแล้วคุณก็ต้องนี้รสนี้กลิ่นนี้เสียงๆขนาดสิ่งที่ต้องต้องกินอาหารคุณคุณแค่อาหาร นี่ไม่ดีก็จะสร้างอารมณ์อันนี้อย่างนี้อร่อยนะอย่างนี้อร่อยนะสร้างไปนะอ่าโดยเฉพาะทั้งนั้นแหละอาหารก็ตามสิ่งอื่นก็ตาม จริงด้วยเราเคยโง่แบบนี้แล้วโง่มานานเดี๋ยวนี้เข้าใจขึ้นอะไรที่มันยังค้างยังติดเป็นอนุสัยอยู่ล่างมันให้หมดแล้วคุณก็จะได้ไม่หลงติดลง ลดจัดจัดยากทั้งนั้นแหละแต่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมานี่เย็นมากดื่มไม่ไหวน้ําเย็นมากๆก็ดื่มไม่ไหวมันจัด ที่เป็นกลางๆสามัคคีสามัคคีดีกว่าเพราะไม่พอพอไปกลางๆระหุตาแค่นี้แหละระหุตาเบาแค่นี้อาศัยเท่า ถ้ามาพูดอย่างงี้เล่างี้มองไปทั่วโลกเห็นมั้ยว่าคนยั่วย้อมมอมเมากันด้วยสร้างรสอารมณ์จัดจ้านให้คนยึดติด เออเทออยู่งงเทออย่างงี้ไปเสพไปงงใส่อย่างงี้โอ้โหแค่ <c oughs> จึงในจิตที่มันเกิดที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดอัตการเข้าใจจิตเริ่มเกิดขึ้นจิตใช้งานมันก็ปรุงแต่งถ้าเราเก่งอภิสังขารแล้วมันก็ปรุงแต่งมันก็จัดการเท่าที่มันพออาศัยเพราะ อ่ามุทิตาที่เราจะมุทุตาที่เราจะปลิ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อม มุทุตตาจิตหัวอ่อนเนี่ยโดยอ่อนไวไวพริบทั้งปัญญาเปลี่ยนปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บได้ง่ายไม่ใช่คนตระบะตะแลงนะ แต่จิตอ่อนก็จึงเห็นใจคนท่านแปลจิตอ่อนนะ ARIN JONJITY, didn't work, which monastery is Era lazily. I had 2 years, both ninety-point, a glamourish sais from what we ibracita like budhita maritita injuries, that I could easily fix that. With a testeryal spirituality and ahoxya on for the period of tresteryal spirituality and the orcho, filing saafras ilaki, aranyatareings. extern Digital spirituality, SO Everyone, hanyist sin Fun, j aqui sees นี่คือวิการรูปรูปที่เราทําเป็นกะรแปล ประมาณเอาละหุเท่านี้โดยประสิทธิภาพของมุตตตากรรมัญญตา การงานนั้นจึงเป็นการงานอันเหมาะสมอัน นะเป็นกายวินยัติปัจจวิญยัติที่ท่านแบ่งรูปอุปาทายรูป <gay> 24 เนี่ยนะนะส่วนสัจจะที่ในโลกนั้นมันก็เราก็จัดการอยู่จะให้ แล้วมันจะเดินเอามันเคลื่อนต่อไปเรียกว่าเรา ชราตาหยุดเมื่อไหร่เสื่อมสําหรับผู้ที่ไม่มีอะไรเติมแล้วหยุดก็เสื่อมอ่าเพราะฉะนั้นมันจึงไม่คงที่อนิจจตามันอยู่ที่เราเป็นผู้ควบคุมอนิจจตาเราจะให้เพิ่มๆๆๆๆต่อไปอยู่ให้มันไปเรื่อยๆแสดงว่า พลังมันเสื่อมและมหาศูนย์ทุกอย่างถ้าหยุดมันก็จะเสื่อมและก็ศูนย์นะพอที่เคลื่อนที่ น้ำนั่นเน่าเน่าๆๆหมดเลยเพราะจะต้องมีออกซิเจนไฮโดรเจนทำเคลาะกันอยู่เสมอทำปฏิกิริยาอยู่เสมอน้ำจึงจะไม่เน่าจึงจะสะอาดไส้ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำปฏิกิริยาแล้วไฮโดรเจนก็หยุดออกซิเจนก็หยุด น้อมน้อมน้อมนะนี่คือหลักสัจจะเหมือนกันศาสนาทั้งจิตวิญญาณพลังงานลึกหรือพลังงานแค่ฟิสิกส์แค่แต่อาตมาแยกน้ําในฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะบางคนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจริงๆนะไม่ กามตัณหานี่เป็นความอยากความใคร่รวมหมดก็กามที่จริงอ่ะนะอยากทําลายเขาเป็นโทสะ ไม่ทำลายมันก็เป็นเชิงของโลภะราคะราคะกับโลภะมันราคะมาเป็นตนมา แต่ถ้าเป็นกามที่เป็นตนอย่างอาศัยเป็นธรรมกาโมเป็นผู้อาศัยทรงไว้คุณจะต้องมี นี่ความอยากมีความเป็นมีความมีมีตัวมี There is the state, of everything with the уров s, I want to askai to help seso with s though, I want to ask 5号ers in the tax sign of. Mind Diashio is Alocum is just suan dhab trading as food in SBSial toiken. Im still short butth Casting about Creditukashia while сюда. If any human's in阻 Rizみ by in beef on theọi stebob vidig failures of no matter ใหม่ๆเป็นอรหันต์แล้วล่ะถ้าตื่นสติ แม้ว่าจะไปล้างกิเลสกิเลสไม่ได้ เมื่อไม่มีสติมันโตไม่มีสติเต็มที่ หรือบำเพลออัตตาตัวเองหยับๆไปที่ก็ไม่มีแล้วล่ะแต่ก็จะมีอาการประงแต่งเพราะสติไม่เต็มที่ เป็นอรหันต์แล้วนี่ถือว่าขีดขิอรหันต์ตื่นเต็ม พญานมันก็จะปรุงแต่งตามที่มันเป็นไปในฝันสติไม่เต็มที่ควบคุมพลังของสติไม่มากพอ อจินไตยอันนึงให้ฟังว่าโสดาบันแบบนี้องค์ก็พอไปอรหันต์แบบเนี้ยซึ่งท่าน เจ้าตัวที่ปฏิบัติแล้วก็จะรู้อ๋อประมาณนี้เนาะลึกที่ว่าตัดเปตตัดเคิบตัดเกลดของความเป็นอรหันต์อ๋อขนาดนี้เองนะ นะอย่าไปเลยเธอจงตั้งจิตไม่โอ้ยไม่มีมโนสัญเจตนาเพราะมโนสัญเจตนาแม้แต่ในขณะสติ นะอย่างที่อธิบายสู่ฟังเอานี่แวะอธิบายอธิบายๆของใจคนต้องการจะ ปนในขณะที่เราเป็นมรรควิธีเป็นทางปฏิบัติพบไปแต่ละระดับตั้งแต่อบายะพบกามะพบ ก็เป็นอุเบกขาเด้อแล้วก็สร้างจนกระทั่งเป็นได้นะอ่าพวกฤาษีชีไพรเนี่ย ไฝสะปอไหลใหญ่เนี่ยวิภวะนี่ขอขยายความละเอียดขึ้นหน่อย 응. มีอยู่ที่วิเศษประเสริฐนะวิภวะเนี่ยวิตัวนี้เนี่ยตัวเป็นตัวที่สําคัญมากเลย ตังค์มากตังค์น้อยก็ใช้อย่างรู้จักจัดแจงส่วนภวะน่ะแปลว่าพบแปลว่าสิ่งที่มันเป็นความเป็นพบคือความ เพราะงปโสดาก็ควบคุมได้ตามโสดาดีที่สุดและไม่ประมาทน้อยๆแต่ ไปเสียน้อยจนกว่าไม่กว่าที่ควรเพราะฉะนั้นสิ่ง เป็นอรหันต์เริ่มต้นเป็นหลักประกันพอเป็นโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าจนเสร็จนั่นแหละประจุดนะจุดปรุงแต่งแต่ก็เช่นพระพุทธเจ้าพระ 2 เวลา 1ๆ ท่านยังไม่ปรุงแต่งยังไม่ทํางานอะไรมาก お些年齢 mastery isality, but ahora someません en el apacit resolvi, when ushan væl a la hora... aren y a ha ha de hay disambi secondo anti-chariat. Ahora en. Pero yojd so efecto, abnormal particularidad de las flistas ma, lo abas en el patrón de agen. que ahorita como hay un bar em dos todo ท่านก็อยากให้อนลปูผ้า proba era noia rai ngia la dukkha vetana nang ต้องทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะผู้ที่เข้าใจวิหารวิหารอาหารอาหาร แปลว่าอยู่ยังอยู่ยังปฏิอยู่พอยังควบคุมอาหารเก่งผู้นี้จึงอยู่กับได้ได้ หมายความว่าคุณไม่ให้กิเลสหมดวิไม่แล้วไม่มีสังขารแม้พระอนาคามีก็ พระอรหันต์ว่าสมบูรณ์สุดวิหารอาศัยเครื่อง บางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าถ้ามีความต้องการ เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้รูปเรียนรู้นามเป็นต้นนะภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็เอามาเข้าใจความหมายความจริงของมันให้ถูกตรงผู้สามารถเรียนรู้ความเป็นใจนี่แหละสําคัญจน คือสัมภาวะมันเกิดอยู่ที่ตรงไหนหทัยรูปคุณก็ตามรู้ นิ่งเฉยรูนิ่งเฉยหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องสัมผัสอะไรยังจะได้ไม่ต้องไปปรุงๆหนีพวกมักง่ายนี้เข้า ไปหลงธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติจริงธรรมชาติมันก็เป็นของมันไปอะไรๆมันก็ร้องร้องดังๆกระหนวก ไม่จมก็ฝูไม่จมก็ลอยคนๆเลยจมนั่นคือลักษณะจม ส่วนพวกที่กามจัดทาประยู <coughs> ขอหาได้ไว้นะเอาอันนี้เอาอุบาลีสูตรนะเอ้าเอา หาความวิเวกได้ยากประหลาดมั้ยไปอยู่ป่าไปอยู่นะฟังไว้ด้วยพระป่ากรรมฐานนะขออภัยอาตมาพูดแรง แดดออกแดดออกเพลงแดดออกตื่นสติตื่นสติตื่นสติตื่นสติตื่นแล้วอุบาลี <coughs> <ทำนองเพลงฟรังมาใส่เนือ. Dead> <coughs> ในป่าอันสงัดนั้นน่ะมันเป่าป่าระป่าดุละดาป่าอันสงัดนั้นอยู่ลําบากนะทําความวิเวกได้ยาก ของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิสมาธินี่ความหมายสูงสมาธิคือผู้ที่ละกิเลสได้จิต ใจจะปลาจะเอาใจเธอไปหมดแหละผู้นั้นจําต้องหวังข้อนี้คือจะจมลงหรือจะฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนกระต่ายหรือเสือปลาลงช้างใหญ่ช้างใหญ่ 7 2 นะจะอยู่ในที่เอ่อปรุงแต่งอยู่ในเมืองในกรุงที่มีสังขารธรรมมีโลกธรรมเยอะๆก็ ฟังดีๆที่ว่าหาความวิเวกได้ยากเพราะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่สงบไม่จมก็ลอยไม่จมก็ฟุเพราะงั้นคนที่จะเข้าไปเช็คผลในป่าแล้วก็ ถ้ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไปพิสูจน์ดูนะออกไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัมผัสอ่าๆที่เคยห้อมล้อม พอออกไปอยู่ตรงนั้นมันไม่มีเลยลาภยศสรรเสริญมัน ครับผมผู้ที่ท่านหลงท่านอาตมาก็เคยหลงเคยหลงไม่ใช่ไม่เคยหลงเพราะงั้นเมื่อ แล้วก็ไปประติวันในปลาลงหมดไม่ชมก็รอยเป็นช้างใหญ่สูง 7 ศอกหรือ 7 ศอกกึ่งเป็นแค่กระต่ายน้อยเป็นแค่เสือปลาเสียหมดแล้วเสีย ขออภัยทุกอาตมากระทบกระแทกแต่ไม่ได้เจตนาด่าไม่ได้เจตนาด่าขออภัยมัน DMC นะก็เห็นสภาพสร้างหลอกสร้างอะไรบุญจะรวยมากจ้ะนะทุฑดงทุฑดงขี้ประดาทุฑดงประดิษฐ์ประดอยทุฑดงแสดงแปลว่า แปลว่าการกําจัดการชําระที่ชําระได้แล้วอะไรที่เป็นองค์แห่งทุตาทูตะอันนั้นอยู่ได้ทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลําบากแล้วเรียกว่าทูตะเป็นศีลเคร่งที่ท่านทําได้แล้วก็อยู่ในความเคร่งในเช่นเรากินมื้อเดียวได้สบายปกตินี่ท่านภูริมีศีลกินมื้อเดียวนะคนอื่นที่ทําไม่ได้โอ้โหเคร่ง ท่านไม่ได้เคร่งสบาย สบม. ทมด. ปกกฏหอ หจจ. นะทุตะมันหมายถึงศีลเคร่งที่ทันใดแล้วองค์แห่งศีลเคร่งทุฑงมาก็เป็นทุฑงเป็นภาษาบาลีก็ทุตงหรือทุตังคะแต่ แล้วก็เข้าใจว่าออกสู่ดงเลย มันไม่ใช่อย่างที่ท่านได้หลงทิศหลงทางกันขออภัยพูดละใหญ่ๆโพธิรักเอ้ยไปว่าเค้าๆนะจะๆอาตมา มายืนยันอ้างอิงไม่ได้แปลเอาเองๆนะๆที่อาตมาพาก ตั้งแต่อวิชชามีสังขารเป็นปัจจัยก็ต้องเรียนรู้สังขารแล้วก็เรียนรู้วิญญาณนะแล้วเรียนรู้นามรูปนามรูปคือสิ่งที่ถูก <says> ที่มีมหาภูตรูปเป็นเหตุปัจจัยร่วม 28 ศึกษา 28 ให้สมบูรณ์ซึ่งอาตมา เพราะคุณจบจริงๆเนี่ยจบที่ปริจเฉทรูปจบจริงๆน่ะอยู่ที่ปริจเฉทรูปคือทําจิต <Antes. S 1> อุบัติอาจะรูปเริ่มต้นตั้งแต่ปสาทโคจรเกิดภาวะเกิดอิทินทรีย์เกิดจนกระทั่งเกิดปุริสสิณ <coughs> อินทรีย์ของชีวะของพระอริยะจิตสะอาดเพราะงั้นให้ชีวิตของสัตว์อินทรีย์ของสัตว์หมดแรงอินทรีย์คือแรงหมดพลัง อันชีวะติน 4 เสร็จแล้วอาหารรูปถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ล้างต้องอาศัยอาหาร 4 นี่แหละทํางานนะอาหารที่มันมีกิเลสเต็มตัวตึกกะวลิงคาราหารอัตตะโอราธิกอัตตาของหยาบเนี่ยแล้วก็อาศัยผัสสะอาหารอาศัยผัสสะอาศัยมโนสังเจตนาล้างกิเลสในวิญญาณ อาศัยรูปก็อาศัยได้หมดทุกอาศัยสิ่งที่เป็นจิตเจตสิกที่มันสะอาดบริสุทธิ์สัจจจิตตปริโยทปนังถ้ามันสะอาด อริยจาพระอรหันต์จาอาศัยอากาศว่างทําอากาศเป็นทําความว่างเป็นนะอยู่ในเรือนว่างได้ทําเรือน <นะ S 1> สังขารเวทิจิตตังนิโรธังโหติมีนิโรธสมบูรณ์แล้วเพราะฉันผ่านปริเฉทรูปแล้วเก่งในความว่างอากาศธาตุทําจิตว่างอยู่ในเรือนว่างอาศัยเรือนว่างได้อย่างมีภูมิคุ้มกันเพราะงั้นจะอนุโลมปฏิโลม นัตจะคีตะวาติตะทาทางลีลาสุ่มเสียงสำเนียงปรุงแต่งวาจาหรือทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่อยู่กับโลกเค้ายังอนุโลมปฏิโลมไม่ได้ <coughs> พร้อมกับกายวิญญัติกับจิตวิญญัติตลอดเวลานะเข้าใจลักษณะรูปสีรูป 28 นะไปเรื่อยๆฟังด้วยดีไป 4 นาที ก็สรุปจบนะวันนี้อธิบายไล่มาถึงความ ไม่ใช่ไปตรรกะเอาว่าโอ้จิตมันก็เกิดขึ้นดับจิตคุณเดาได้คุณประมาณ ภาวะอิทธิภาวะหมดอินทรีย์ของอิทธิเป็นเอกบุรุษเป็นอุตตมะบุรุษเป็น ต้องเห็นอย่างมีสมาธินะรู้จักจิตตัวสุดท้าย นิพพานเห็นความเกิดความดับปัญญาพูดในความเกิดความดับตะกับได้ แม้แต่คุณเองคุณฟังเหตุ เข้าใจนะว่าการเห็นความอ้าวเอวัง <laughs>